ถึงบางครั้งเราก็ไปเที่ยวสแสวงหาธรรมะในสถานที่ต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์บ้างจากสำนักครูบาอาจารย์บ้างซึ่งสุดแท้แต่เราจะมั่นใจว่าที่ไหนพอที่จะแจกธรรมะให้แกเรา <c oughs> แต่ความจริงนั้นธรรมะเป็นของเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว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 ชั้นสูงสุดคือปริญญาเอกอันนี้คือวิถีทางที่ <c oughs> เราปรับปรุงความเจริญให้แก่จิตใจของเราคือให้มีวิธาความรู้ตาม อ, าอันดับนั้นๆซึ่งสุดแท้แต่ใครจะสามารถมากน้อยเพียงใดผู้ที่มีความสามารถมากน้อย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 หรือใครอาจจะมีกิเลสมากน้อยเพียงใดก็ตามเช่นมีตันหาความถ้าเยอถยานหยาบในทรัพสมบัติและลาบยสศสรรเสริญจะถ้าเยนถเยอถยานมากมายเพียงใดก็ตามแต่เราเอาศีลห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์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 หนึ่งอัตตาหิอัตโนนาถูตนเป็นที่พึ่งของตนสองวิริเยนะทุกขมัตเจติจะร่วงทุกไปได้เพราะความเพียรประการที่สามสามคีสมุขานังตะโพสุขโขความพร้อมเพียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติ และได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องลนนรงเพื่อให้ประชากรทั้งอ่าข อ, ของประเทศได้ประพฤติปฏิบัติโดยทั่วกันเขาถือคติอย่างนี้เขาถือว่าอาตาหิอัตโนนาถโถตนเป็นที่พึ่งของตนเขาถือหลักง่ายๆว่าในเมื่อเราประสบอุปสรรคใดๆจะยากง่ายเพียงใดก็าตาม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 ในการค้นฟ้าในการทำงานในการแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อความมีหลักฐานมั่นคงโดยอาศัยหลักธรรมคือความเพียรเป็นจุดสำคัญประการสุดท้ายคือความสามคัคคีความซ้อมเปรียยงซึ่งกันและกันอันนี้เขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้อง อบรมสั่งสอนคุณบุตรลูกหลานของเขาให้ประพฤติปฏิบัติให้ได้โดยทั่วกันเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระบังเกาหลีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วนักอันนี้เป็นตัวอย่างของชาวต่างประเทศซึ่งได้ยินแล้วเอามาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> แต่สำหรับน้าโอกาสนี้เข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงพากันสนใจในเรื่องการปฏิบัติ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 ท่านทั้งหลายก็อาจจะได้ยินได้ฟังมาแล้วนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิศวะที่ให้วิชาสมาธิเนี่ยสนับสนุนวิชาการหรือการค้นคว้าต่างๆให้สำเร็จมาด้วยดีแต่สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องสมาธิภาวนา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 อบรมกายวาจาและใจให้อยู่ในระบอบแผงศีลธรรมที่ชอบดังนั้นอาชจจมะจะไม่พูดอะไรให้มากความเพราะท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเรียนธรรมะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้น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 หรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธเฉยๆอย่าไป น, นึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะเกิดอะไรขึ้นมาอย่าไปคิดทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวนึกพุโทโธอยู่อย่างนั้น จิตสงบก็ตามไม่สงบก็ตามไม่ต้องไปกังวลเอาแต่ว่าเราได้นึกพุโทโธให้มากที่สุดนึกจนกระทั่งพุโทโธกับจิตของเราเนี่ยติดกันเหนียวแน่นไม่พลากจากกันจนกระทั่งความตั้งใจที่จะนึกพุโทโธหายขาดไปแล้วจิตของเรายังนึกพุโทโธโดยเ อ, เองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ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 รำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วจิตก็สงบลงไปเรื่อยๆเกิดปิติเกิดความสุขในตอนนี้จิตของผู้ภาวนารู้สึกว่ามีความสุขอย่างยิ่งในเมื่อมีความสุขแล้วนิวรธาคือกามฉันทะพยาบาทสินมิธาอุทจักกุกุจวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาก็หายสิ้นไป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 การฝึกหัดพิจารณาควรจะน้อมเอาเรื่องของกายยกตาสติอันเป็นแขนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัฏนาสติปัฏฐานสติกำนดตามรู้กายสติกำนดตามรู้กายนี้มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งกำนดตามรู้กายภายนอก อีกอยางหนึ่งกําหนดตามรู้กายภายในกําหนดรู้ตามกายภายนอกก็หมายถึงว่าทำสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดทำสติอย่างเดียวเดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืนนั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอน เอ็นเดิมทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียวอันนี้เป็นการกําหนดกายคตาสติในภายนอกส่วนการกํากหนดกายคตาสติภายในนั้นหมายถึงการกําหนดอาการสามสิบสองคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น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 ผมขนเล็บปันหนังเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปความปฏิกููหน้าเกรียดโศกจะปรากฏมากน้อยเพียงใดอันนี้เราหมั่นพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นพิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำ น, ชำนาญในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณา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 ถึงอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิถ้าจิตนั้นจะมีสติปัญญาย่อมจะปรากฏนิในมิตรขึ้นมาให้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นสิ่งที่ปฏิคูน่าเกลียดโสโครกโดยภาพในมิตรที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุกทุกท่านทุกคน บางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโศกโแล้วก็จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลการพิจารณาอสุภกรรมาฐานหรือพิจารณาผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้นเป็นอุบายที่จะ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 ความนิ่งคือออกจากสมาธิในขั้นนี้เมื่อถอนมาถึงระดับอุปจารสมาธิจิตย่อมเกิดมีความคิดในเมื่อจิตมีความคิดให้ท่านผู้ภาวนาจงกำหนดำรำตติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่สักว่ารู้เฉยๆ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 ได้เองโดยอัตโนมัติอันนี้คือผลแห่งการภาวนาในขั้นต้นเป็นอันสรุปใจความได้ว่าการภาวนาหรือการทาจิตทาใจนั้นเราเราจะสรุปขั้นตอนได้เป็นสามขั้นตอนหนึ่งขั้นบริกรรมภาวนาสองขั้นฝึกหัดจิตให้รู้จักพิจารณาสามขั้นตามรู้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 เริ่มต้นแต่อสุภาสิะสินสิบอนุสติสิบเป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีตั้งสี่สิบอย่างเราจำเป็นจะต้องทำให้ครบถึงสี่สิบอย่างหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นเพียงอย่างเดียว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 บุคคลภายนอกสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกวินาทีสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเราทำส ต, ติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนักปฏิบัติสมาที่ต้องสู้สู้ต่ อ, อการงานทุกสิ่งทุกอย่าง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 สามารถที่จะทำจิตให้สงบสามารถที่จะน้อมจิตไปพิจารณาสามารถที่จะทำส ต, ติให้รู้เท่าทันเหตุการณ์นั้นๆคือตามรู้เหตุการณ์นั้นๆจนทันก็ได้จชื่อว่าเป็นผู้ได้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องด้วยประกา ะ, ะนี้ได้กล่าวธรรมะบรรยายมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟัง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 แต่ส่วนจิตไม่ได้หลับอย่างบางท่านอาจจะเคยผ่านความเป็นเช่นนั้นมาแล้วได้มาพูดถึงความหลับอาตมาก็จะขอเพิ่มเติมตักหน่อยการภาวนาในเบื้องต้นเช่นเราเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้น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 ถ้าหลับลงไปแล้วจิตมันมีอาการเคลิ้มๆแล้วก็สว่างทรงกระแสออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอันนั้นคือความฝันตั้อย่างพระอริยเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่า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 อันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ที่ี้ความแว บ, บเข้ามาของของสิ่งที่แว บ, บเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว <c oughs> ในเมื่อเราตั้งใจที่จะเอาใจใส่ต่อจิตของตัวเองหรือต่อบริกรรมภาวนานั้นๆเพราะอาศัยที่เราเคยคิดสิ่งต่างๆมาโดยไม่มีขอบเขต เมื่อเราตั้งใจจะเอาจิตของเราไว้กับสิ่งสิ่งเดียวอารมณ์เหล่านั้นมันก็ย่อมแวบเข้ามาได้เรื่อยที่นี้การแก้ก็คือว่าพอรู้สึกว่ามันแวบไปทางอื่นเราก็เอามาหาคำ บ, บริกรรมภาวนาตามเดิมแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเร็วๆเข้าคือว่าพยายามอย่าให้ช่วงช่วงการบริกรรมภาวนานั้นมันห่าง เช่นเราจะนึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้พุทโธเร็วๆเข้าทีนี้พอเนื้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วมันมีอาการหลงหลงลืมลืมอาการหลงหลงลืมลืมนั่นแหละจิตกําลังเริ่มจะสงบพอจิตกําลังเริ่มจะสงบแล้วอารมณ์แวบมันก็เข้ามาอีกเราก็ตั้งใจใหม่พุทโธพุทโธพุทโธไปใหม่หลายๆครั้งเข้ามันก็ชํานิทานารแล้วมันก็หายแวบเองทีนี้อีกอย่างหนึ่ง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 จิตกับวิ ญ, ญญาณมีความแตกต่างกันในด้านจิตวิทยาหรือพุทธศาสตร์อย่างไรจิตกับเป็น ญ, ญ, ญาณวิญญาณหมายถึงวิญญาจิตหมายถึงสิ่งที่นึกคิดสิ่งที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้ร้อนรู้เย็นรู้หนาว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 เพราะมันเป็นสิ่งที่รู้จักจุตติปฏิสนทิรู้จักเกิดรู้จักาตายเช่นอย่างเมื่อเกิดเป็นเกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็มันก็รู้จักจุตติคือตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะอาศัยอำนาจของกิเลสทีนี้ส่วนวิญญาณนี่วิญญาณนี่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคหนึ่งเรียกว่าปฏิสนทิวิญญาณ ปฏิสนธิวิญญาณนี่คือวิญญาณรู้จักจุติปฏิสนธิหมายถึงวิญญาณในปฏิจจสมุปาลหรือวิญญาณที่เกี่ยวเนื่องกับจิตที่จะนำไปผุดไปเกิดที่นี้อีกวิญญาณหนึ่งนั้นหมายถึงวิญญาณในเบญจขันวิญญาณในเบญจขันนี่หมายจะพาะตากับโูกกระทบกันเข้าเรียกว่าจักปุวิญญาณ เสียงกระทบหูเกิดความรู้สึกขึ้นเรีกว่าโสตวิญญาณกลิ่นกระทบสมองรู้สึกขึ้นเรียกว่าฐานวิญญาณลิ้นลิ้มรสเรียกว่าชิวหาวิญญาณกายสัมผัสเรียกว่ากายวิญญาณจิตโลธรรมมาจิตโลอารมณ์เรียกว่ามาโหวิญญาณเพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยา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 เราอาตมาก็ไม่ได้เรียนจิตวิทยามา <c oughs> ทีนี้ในทางก็จะศาสตร์กันก็หมายถึงตัวจิตที่รู้นึกรู้คิดและอในหลักอภิธรรมที่จําได้ว่าจิตเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมสภาวะใดเป็นผู้ก่อเป็นผู้สั่งสมคือสั่งสมความดีความชั่วสั่งสมกุศลอกุศล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 จิตเป็นสมาธิจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนาจิต ท, ที่จะติดตามตามโลอารมได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าเราคิดอะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันประสบเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตมันก็รู้ทันใครด่ามาก็รู้ทันใครตาหนิมาก็รู้ทันใครยอกล้องฉันเสริก็รู้ทัน จิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้น น, นัได้ชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นคืออย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้น <c oughs> หมายถึงจิต ท, ที่เป็นนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้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 ถ้าหากว่านั่งขัดสมาธิแบบขัดสมาเทศหรือแบบพระพุทธเจ้าดังเนี่ยถ้ามันลำบากเราจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จะนอนทำก็ได้ถ้ายิ่งใครนอนทำสมาธิชำนีชำนานยิ่งดีในเมื่อหลับลงไปแล้วจิตจะได้เป็นสมาธิในเมื่อจิตเป็นสมาธิในเวลานอนหลับกายมันจะได้พักผ่อนสบายเพราะองค์ประกอบของความเป็นสมาธินี่กายเบาจิตเบา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 แต่ต้องถึงขั้นที่สามารถที่จะรู้เช่นอย่างผู้ที่ทําสมาธิพิจารณาสภาวะธรรมจนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วสามารถรู้อดีตชาติของตัวเองเช่นอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่จะจะได้ตรัสรู้พระองค์ก็รู้ปเุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติผลหลังได้แล้วก็รู้จิตูปปตาตยานรู้การจุตติและเกิดของสัตว์ทั้งหลาย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 ถ้าองค์ไหนเก่งๆแล้วจับไปนั่งส่องดูบ่อน้ำมันว่าว่ามันอยู่ที่ตรงไหนรัฐบาลเจาะลงไปทีเดียวได้เลยเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเวลาแล้วไม่ไม่เปลืองค่าใช้ใจ่ายถ้าสามารถพิสูจน์ได้อย่างนั้นเก็เก่งจริงแต่นี่ส่วนมากไปเก่งเฉพาะแต่สิ่งที่ตาคนธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยอาจารย์บ้าก็เลยไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักครับ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 การทำสมาธิของผู้ถามได้ผลหรือไม่การฟังไม่ได้ผลใช่ไหมอาการทำสมาธิในขณะที่ฟังเทศจิตไม่ได้ยึดถ้าเาว่าจิตมีสมาธิแล้วไม่ได้ยึดกับอไม่ได้ยึดกับคําพูดหรือคับบรรยายที่พูดพูดกันไปเป็นได้เพียงว่ารับรู้ รับรู้เฉยๆไม่ได้สาคัญมั่นหมายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นท่านว่าอะไรบ้างหรือบางทีเสียงที่ฟังฟังอยู่นั้นหายไปเราฟังไม่ได้ยินอันนี้หมายถึงว่าจิตอยู่ในสมาธิเพียงแต่สักว่ากำหนดรู้ที่นี้ลักษณะอย่างนี้ถ้าหากสมมตนว่าเรากำหนดจิตอยู่ในสมาธิกำหนดดูจิตของเราเนี่ยถ้ า, ากว่าจิตมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันสักแต่ว่า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 แม้ว่าจิตมันเกิดความรู้อะไรขึ้นมาภายในก็ตามมันเกิดขึ้นมาแล้วสั์แต่ว่าเป็นความคิดแล้วมันไม่ยึดมันก็มีแต่ความวางเฉยอย่างเดียวความวางเฉยอันนี้ไม่ใช่ว่าเฉยไม่รู้ไม่ชี้แต่มันมีลักษณะรู้ซึ้งๆของมันอยู่ในตัวอันนี้ต้องสังเกต ด, ดูให้ดีหรือบางที เราอาจจะเคยทำสมาธิบริกรรมภาวนามาจิตมันสงบสว่างมีวิตกวิจารมีปีติสุขเอกข้คตาตามหลักขององค์ฌานแต่ในเมื่อทำไปทำไปทำไปแล้วเมื่อเคยในขั้นต้นเนี่ยพอนึกถึงอารมณ์เรียกว่าวิตกจิตเค้ากับอารมณ์เรียกว่าวิจ า, จ า, ารณ์แล้วมันเกิดปีติเราก็รู้เกิดสุขเราก็รู้ทีนี้มันเกิดความเป็นหนึ่งคือสงบเราก็รู้รู้ไปเป็นขั้นตอน แต่เมื่อทำหนักๆเข้าแล้วพอกำหนดจิตพับลงไปนึกพุ้โตผู้โตผู้โตจิตมันสงบพวดไปเลยไม่สามารถที่จะกำหนดวิสุวิจารปีติสุขเอกขต า, าได้ถนัดอันนี้เป็นความคล่องแคล่วของจิตเป็นความชานาญของจิตเพราะมันเป็นแล้วมันก็วิ่งเร็วไหนว่ามันยังไม่เป็นมันก็ค่อยรู้ไปตามขั้นตอนอันนี้บางท่านอาจจะคิดว่าภาวนาเมื่อก่อนนี้ทําไมจิตมันสงบนิ่งสว่างเยือกเย็นดีนักหนาะ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 เราตั้งเกตดูว่าความรู้ในขั้นนี้มันไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่มีดีใจเสียใจมีแต่ความปกติของจิตจิตอยู่อย่างสบายมีความสุขมีความเข่มขึ้นในความรู้นั้นอันนี้ปัญญามันเกิดปัญหาต่อไปขณะที่นั่งทำสมาธิอยู่ ขณะที่นั่งทำสมาธิพุโทโธความรู้อยู่จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเริ่มจะนิ่งจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพุโทโธหายไปไม่รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยากไม่รู้สึกตัวตัวไม่ยกไปมาตัวไม่ยกไปมานั่ง ดำรงเป็นระย ะ, ะนั่งตรงเป็นระยะหนึ่งอันนี้ <c oughs> ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปจิตเริ่มจะสงบลงไปเพราะจิตเริ่มสงบลงไปแล้วคำว่าพุโทโธมันจะค่อยเรือนลางหายไปในที่สุดจิตจะไม่ว่าพุโทโธเลย แล้วจิตก็จะเป็นนิ่งรู้อยู่เฉยๆในบางทีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในตอนนี้ในเมื่อบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วทีนี้มันจิตมันไม่ว่าพุโทโธแต่มันมีอาการเคลิมเลิมสงบลงไปก็เข้าใจว่าเรานี่เผลอสติไม่นึกพุโทโธแล้วก็ไปกลับนึกพุโทโธมาใหม่ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยอันอันนี้สังเกตให้ดี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 เพียงแต่ทรงตัวอยู่เท่านั้นเองเมื่อมันถอนจากความรู้สึกเฉยๆว่างๆอย่างนั้นแล้วเราจึงค่อยกําหนดพุโทโธพุโทโธไปใหม่แาก ว, ว่ามันเฉยว่างอยู่งั้นก็ปล่อยให้มันเฉยว่างอยู่อย่างนี้นทีนี้ทํำไป น, นานๆเข้าจิตมันมีพลังขึ้นมันก็จะสว่างแจ่มใสขึ้นมาเอง